นโมตะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะพุทธังสมังตังคังมสามิโตปารังเกเพจังธัมโมโสตัปโตตีเอาอญาติโยทุกคนอาพุทธวิจัตทั้งหลายทั้งสัจจสัมมานม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 อันนี้มันก็จริงเหมือนกันใต่เดือนมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นขี้ดินอันนี้ก็มือนกันชันนั้นอันนี้ทางเรากราบทางเราไหวาทางเราสาทยายธรมะองค์สมบูรณประเมาสัธรรมปฏิจ เ, เจ้าของเรานั้นก็ยังไม่ยอมรับธรรมะของท่านไว้ในใจอันนี้เป็นความจริงไอ้ธรรมะ เมื่อเราฟังแล้วนะ่ะไม่ใช่ามันดูทีเดียวนะไม่ใช่มาดูทีเดียวเปรียไปฟังง่ายๆธรรมะนี้เหมือนกันกันกบผลไม้วางอย่างซึ่งเราไปบ้านญาติบ้านเพื่อนนิดแล้วเขาเอาผลไม้ฝากเราเอาผลไม้ฝาก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 เพราะเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องของเราแล้วเนะี่ยมันง่ายที่สุดและตัดสินยานี้ก็ได้ก็เพราะความจริงมันอยู่กับเราเพราะมีเราเป็นกยายนธรรมานี้ก็เหมือนกันแขนนั้นเมื่อเราฟังแล้วจะต้องเอามาภาวนาให้มันเป็นศาสนาปริยัตศาสนาปฏิบัตศาสนาปฏิเวศาสนา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 การฟังธรรมะนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันเราฟังเฉยๆก็รู้ด้วยสัญญาของเราอืมรู้ด้วยสัญญาของเรายังไม่รู้ตามความจริงฉะนั้นมนุษย์เราทาั้งหลายนั้นผู้ยอมรับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอืมโดยมากก็ไปพูดเกี่ยวกั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 ปานาอจินาการ ม, มีมุสาสุระท่าไม่ค่อยยอมรับกันกลัวเราให้ศีลเนี่ยมาขอกับเราอีกขอก่อนเถิดขอก่อนเถิดขอด้วยอาจะมากกว่ามนึกเอ้ยไอ้มันกลัวเราจะดีจนะริงกลัวเราจะได้ของดีนี่ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นความจริงไอความเป็นจริงเนี่ยนะมันโทษมันทางนั้นนะไอศีลทั้งห้าประการนั่น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 อโดยมากเป็นโยมผู้หญิงก็ระลังมาถามด้ว ย, อ, ยอัตมาว่าไม่รู้เรื่องไปถามเขนเนเถอดดีกว่าคือปัญหาหนูมันนะมันหนักเสร็จแล้วเขาจะไม่ให้กินเนื้อนด้ว ย, ยแต่เราพอกันว่าเนื้อนี่มันเป็นโทษสัตว์อย่มันเป็นโทษห้ามกันกลางๆไม่ได้ยินนะอันนี้คือชาวตะวันตกชอบเป็นอย่างนี้โดยมากเขาชอบฉันเจกันหรือไม่เจก็ก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์กัน ไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเขามาถึงเมืองไทยเราเห็นพระเห็นเนนเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพวองธรรมวสงฆ์วิญญสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นอาตมาก็เลยแก้อาหาระแก้ปัญหานี่เป็นฟงางๆไปโย ม, อ ม, อมเอาขนาดนั่นเถอเดือ คนอื่นฆ่าแล้วกินก็ไม่ได้เลยลองเท้าของโยมนใส่มาทำไมหนนหนังสัตว์นีฝากมีดน่ยเนี่ยจะรับมีดกันอืมนะกระเป๋าสตางนั่เนี่ยหนังสัตว์ท้งนั้นเนะอยจะมากแก้เกลือกปนไปทานั้นเนี่ก็ไม่มีอะไร น, นี่ก็ส่งเสืออมีเขาทำเหมือ น, น, นกันไอความไจริงกระบอกมาทางวะ ประเทศไทยเมืองไทยนี่เขาทากันมาอย่อยางยี้นานแล้วอันนี้ให้พูดเป็นส่วนบุคคลจะดีกว่าแต่เราเห็นโทษเราก็เริกมันก็ดีกว่าอันนี้จะไม่มีภาระอะไรมาก ม, มันจะน้อยลงเราไม่ต้องยุ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังอ่ะให้เราไปพิจารณาดูทางชาวตะวันตกถ้าเขาถึงพระ เขาก็ไม่มีวันพระแต่เข้ามาวัดทุกวันตอนนั่งกรรมฐานต่อมาทุกวันแต่เขาไม่มีวันพระอเราหกวันหกวันเจ็ดวันนี้วันพระนี่ก็ว่า ด, ดีแล้วเขาไม่มีวันพระแต่เข้ามากันทุกวันนั่งกรรมฐานอก็ไม่ได้พูดถึงเล่าเรื่องศีลอะไรต่างๆมานั่งกรรมฐานกันเลยเนี่ย อันนี้มันไปกันซะอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นอาตมาเห็นว่ามันพูดกันไปไปมามาย่ํายีกันอยู่นั่นเนี่ยมันเร่หลงทางใะจะเอาจริงก็ไม่เอาจะเอาจังก็ไม่เอาก็อยู่กันอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นของลําบากอยู่ฉะนั้นฝ่ายพระภิกษุสามเณรพวกเราทั้งหลายนี้ตรงมันตัดถ้าพูดเนี่ยมันขัดนะมันขัดใจคน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 เมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้ามก็โกโรธให้ก็โกโรธโดยมา ก, กรรมฐานเคยพูดมากแต่คนโกรธกรรมฐานนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นนะ่ะสงสารที่สุด่ะเพราะว่าพระเนนนี่ตัวอาตมาเองเน่ะ เมื่อบวชในพุทธศาสนาเล้กก็หาพยายามหาดีีๆที่จะป้องกันแนะนําคําสอนญาติโยมเพราะทําไมประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์พระพุทธเจา้าตรัสสอนอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยญาติโย ม, มที่อยู่ที่อาศัยการขบการชันทุกประเภทจะต้องอาศัยญาติโยมเมื่ออาศัยญาติโยม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 ท่านสมเด็จฟังเออท่านมั่นท่านเสาเนี่ยให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลมเกลียวกันทำไมเขาไปบ้านไหนแตกบ้านนั่นเลยเ <c oughs> นี่ยท่านพูดตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทำไมไมันึงเป็นอย่างนั้นท่านสมเด็จมหาวิทยาลัยว ง, วงองค์กรเนี่ย ก็ให้โทษท่านอาจารย์เสาอาจารย์มันว่ามันไปพูดอะไรมันไปทํายังไงไห้ไปให้สั่งสอนประชาชนนี่มันกงเปรียวกันเข้าบ้านไหนแยกกันบางทีหัวมือแยกกันที่น้องแยกกันอะไรมันแยกกันเท่านั้นน่แห่ะอันนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านจะคุณสมเด็จองค์ก่อนยังไม่เข้าใจ ไอ้ความเป็นจริงธรรมะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอํานาจธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอํานาจมากถ้าทําคนเปลี่ยนจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีอํานาจอืมทาปุถุชนสามัญชนให้เป็นอริยชนก็เพราะธรรมะเห็นธรรมะอืมมันถึงมีอํานาจ คนมีความเห็นผิดได้ฟังช้ำแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมามันเปลี่ยนอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่นี่ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องหวกรมเกลียวกันพี่น้องกงรมเกลียวกันพ่อแม่กรมเกลียวกันลูกหลานกรมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะ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 พ่อแม่จะาของก็ยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นนะ่ะมันตัดขึ้นมาใช่นหมจังเนี่ยฉะนั้นอาตมาถึงเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเป็นห่วงมากถ้าว่าคนยังไม่รู้นะคนยังไม่รู้มันมันเอาจริงๆนะ่ะไม่รู้คนไม่รู้จะทําไงความไม่รู้แล้วมันเอาอืเหมือนกันกับคนอืม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 นี่ตาแกคนนี้เห็นจะมีของทำนาซะแล้วมัง้งเห็นจะมีมูลทำไร่ซะแลมัง้งเห็นจะมีมูลเลี้ยงสัตว์จะมัง้งเท่าเนี้ยมันแปรเขาเนี่มันรวยของเขาเนี่ ย, น, ยนึยแกแตไม่ดูความขยันเขาไม่รู้ความเพียรเา้าเห็นแต่ความร่ำรวยเขาเกิดขึ้นมากดูพอเธอทำยังไงมันเป็นปอบละเด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นปอบเทั้งนั้นเลยเป็นปอบมา ไอ้คนนึงว so ่าม <c oughs> <c oughs> <center> ันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองก็ปอบเลยเลยตั Japan ้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนี่เนี่ยตั้งเป็นปุญญบ้านมันก็ยังเป็นอยู่บ่ตั้งเป็นกำนานก็ยังเป็นบ่ตั้งเป็นประหลาดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นเนี่ยนั่นแหละทำไมมันไม่เป็นเนี่ยคนนี้ก็ปอบคนนั่นก็ปอบโดยส้างบ้านทร้างเมืองก็เป็นปอบเป็นมาท่านเนี่ย ฆ่ากันแจงกันสารพัดอย่างนี่มันเกิดมาอย่างนี้พราเราไม่ดูเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสมมุตินี่แหละมันเป็นนอะสมมุติขึ้นเป็นเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นขึ้นเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นเดียวนั่นไอ้เป็นผีเป็นปอขึ้นมันก็เป็นเดียวนั้นน่ยการสมมุตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอกเก็ขึ้นมาว่านายสี ก็เป็นนายสีมา ท, ทุกวันไม่ได้เป็นนายมีหรอกถ้าผู้หญิงก็เรียกนางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี้แหละข้อสมมตินี่เมันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุในนี้นีฉ น, นการฟังธรรมะ เราจะต้องมาภาวนาภาวนานั่นคือการมาพิมิตมาพิจารณาแยกส่วนดอกให้มีเหตุผลให้เห็นเหตุผลมันตามความจริงให้มันแน่นอนให้จิตใจมันสบงบรล้ครับในสมัยโบราณกาลมีบึงบอซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆ คุมอยู่เราเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาทีหลังนะไปเห็นปลาไปเห็นเตา่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นเน่ยก็นึกว่าน้องนั่นนะมันเข็ดนะอือดูซาปลากฏกันไปก็บอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดูเต่อยากจะดูเตา่าเอาหลอกไม้ไปเอาเทียนไป นะขอเจ้าที่เจ้าฐานนั่นอน่ะอืให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาให้เห็นนอธิษฐานเน่ยก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่หนีนั่งอยู่บนนะ่ะบนครูนั่นบนสะนั่นเจ้าระคายใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยเต่าใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานะี่ยนั่นเจ้าที่เจ้าฐานนั่นอืนั่นท่านหเห็นแล้ว เท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนจะคิดว่าเออมันใจจะขาดมันกฟูกขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นนะไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นที่มันมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ใช่เยมากมันก็ไม่เห็นความจริงมันจะธรรมะนี่ก่อมันกันฉันนั้นแนะ่ะทุกวันนี้เราอยู่เลยธรรมะกระจมันอยู่เลยธรรมะอืม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 พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พอเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะนั้นให้เราอยู่เย็นเปนสุขถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยินก็อือืีให้มันกินธรรมเนะ่นะอย่าไปกินข้าวเลยโดยพูดกระแทกแดกดันไปทั้งข้านทาั้งผูไปใช้ไอ้ความเป็นจริงนั่น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 อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาเกินมาอืมนะเช่นว่าแดนนาเราเป็นต้นพ่อแม่ทําให้ไอ้คดค ด, คดง อ, งอเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปบนมานี่มีตาแก่คนหนึ่งเอออย่าทํางนี้เถอะเพื่อนนะมันตัดให้มันตรงเถอะนะไม่เอามันงออย่างเห้มันงออย่างนี้อนะ่ะมันจะเป็นอะไรล่ะอืมไปทํามันทําไม อย่างนี้เป็นต้นนะอือันนี้เป็นกันชัน้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะอืมจะมาทําทํามานี่ทําเพื่อประโยชน์นะทําเพื่อประโยชน์ตนทําเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ฤทธิ์ท่านมาทั้งสัพจายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมา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 อย่างนี้เป็นต้นเพราะอยากยมไปหาเหตุไปหาโทษพระอะไรตรัวไรวุ่นวายบินประมาณร้อยแปดกไร่เดี๋ยวนี้ทำกำแพงรอบหมดแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ข้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวเลยเอารถเอาครอบเอาครัวนั่งไปรถบรรทุกไปที่วัดประพร์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 พระนี่แหละตัวสําคัญเหมือนกันเนี่ยผู้มีเจตนาเนี่ยให้ท่านพัฒนาช่วยท่านท่านไม่เอาอะไรอืมท่านไม่เอาอะไรก็ญาติโยมทั้งหลายท่านตอนเช้ามาท่านกบินแบาทให้เข้าคนเดีก้อนเดีวก้อนเนี่ยท่นไม่หมดเนะพอือมท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อทูกคุประโยชนูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ แต่บางคนคิดผิดนะคิดไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยถูกอืมให้คิดลึกๆให้พิจรารณาอาจจะมาเคยผ่านมาหนี่หลายบางที่ห้ามกินเหล้าอืซูดอยู่ในบ้านเลยเท่านั้นไมก่กรรมาฐานผิดี้ประนด็นว่าไปยังสัน่นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองยังดีแล้วยอมนะทุกทุกคนในพีนาไปเจอะ ถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงยหญเสิ่ว่ามันผิดทั้งร้อยปอร์เซ็นนะให้ดูดูไปก่อนว่าพระทำยางไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะอันนี้มันนานรู้จักไอความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมาและไม่เชื่อใจก็ยอมมาแล้วยังไม่เป็นธรรมะมนั่นมันเป็นขโมยในใจนะเห็นว่าพระจะเป็นขโมย เรามากๆอยู่ในใจคนกนึกว่าพระจะมักมากอะไรอะไรเนี้นต้องวัดตัวตัวจะของเึงนั้นไอความจริงจริงนั้นอยู่ไปนานๆที่ที่จะนานนานถือดูเหตุผลดีๆที่อัตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงเลยถวายที่นี่แกท่านพระครูดูแรตีจารณาอืมให้มันสะดวกให้มันสบาย คุณบุตรลูกหลานที่พามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนนที่ดีลูกหลานเราจะได้บวชที่นี่อืถ้านานๆไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเป็นคำมือขวดไปจะต้องกินขอยเย็นเพือยู่ได้ไม่ได้กินขอยเย็นในบวชอาตอมาอแอบไปถามยโ ย, ยงทำไมจึงให้พระกินขอยเย็นเนี่ย อู๋ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวท่านนี่ไม่ฝันแล้วว่าจะทําได้นะเนี่ยออถ้ามันค่อยไปทางตําๆนะ่ะมันเร็วเรื่อเกินอ่ะมันง่า ย, ายไม่ต้องไปสอนมันหรอกอะเนอะไรอืมไม่ต้องไปสอนมันเลยบวชกินข้าวเย็นกันทิ้งจะอยู่กินกันเรื่อยๆได้หลายวัดกินก็นเลต่อไปนะ่นะเอืม จ่อไปนะไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่เราดูลานเราดูวัต้องกินข้าวเย็นไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้ลานเรากินๆๆๆนี่นี่การให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้ลานนี้ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นไัเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เดียยวคำสอนของพระนั่นเสื่อมไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั้นจึงกันตั้งใจช่วยกันช่วยกันปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันโดยธรรมะนั้นก็จะสบายยิ่งกว่านี้ง่ายกว่านี้อีกสบายกว่านี้มีความสุขกว่านี้อีกอืมนะสีเดนะสุกติงยันติสีเดนโะโพก็สัมปทาสีเดนะนิพุติงยันติตัตมาสีรังนิสุไยีนี่เอาที มีศีลเป็นสุขไหมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปบุญวายใครมันก็สบายเท่านั้นแหละทำไมมันจะไม่เป็นสุขล่ะ ม, มันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจรารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดเฉออยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิษฐ์พิจรารณาให้ใจเรามันยอมรับเช่นว่า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 ใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมพี่ว่าพี่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปหมของเรานันได้ไปเวยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันไหก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเทรานี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดดุลงขึ้นมา เถียงไอ้ความเปจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหมอำเภอแวงเหแถวนี้อำเภอพุทธทองแถวนี้ไหมเสตฟาลเหล่านี้ไหมตัวเราเคยได้ไห ม, ไไหมของเราเคยได้ไหมโอ้ยมีพระท่านมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสาธุเธทนามันท่านพูดถูกแล้วน่ะแต่เรายังไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราถูกนะอย่างพระอังคุริมานโจรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ย แต่ร้องตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุดอืมไปหาว่าพุทธเจ้าไม่หยุดบิ่งไปจะไปประหัรประหารท่านทําไมพระสมณโกหกเนี่ยออือทําไมว่าหยุดแล้วอยู่เดียวทำไมท่านเดินไปอยู่ล่ะฉันบอกว่าถามว่าอย่างนั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเบียดเบียนสัตว์แล้วการเบียดเบียนมนุษย์แล้ว การเบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งหลายในสันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดอืไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคําเท่านี้ภูมินิสัยพระอังคุริมาโจนหยุดชนะเอเอหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รด้จักไว้อปมันเห็นแต่ว่าเดินถึบถึกไปหยุดเขาเห็นว่าหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอความเป็นจริงนั่นไ่นไอที่มันหยุดในเรื่องจิตมันสําคัญมากเช่นว่าการเกิดตายเหล่านี้เนี่ย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 อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายนี่นเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเด็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งถ้าเอาจนหัวหงอกก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมปวดง่ายๆเครียดง่ายๆนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นยวชนคนไม่เห็น เห็นมาแต่เราแก่แล้วเฒ่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีได้ร่างกายหรือใจแบบนี้หรือเรื่องจิตนี้มันเป็นของสําคัญมากเป็นปรมัตรธรรมอมืฉะนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดอืมฉะนั้นอาตมาจริงเห็นว่าพุทธบริษัทเดานี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอานิจังมันไม่เที่ยง ก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใช่ของเราก็ยังไม่ยอมรับนี่ให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ ๆ, ๆมันก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วนะ่ะอืมมันจริงอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมานี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่าง่แล้วแต่เราไม่เห็นมันท่านจึงเปลียนว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํา อย่างนี้ใส่เดือนมันอยู่ในดินกินที้ดินไม่เห็นดิน่นเห็นดิ น, นอันนี้มาถูกอาตามาอีกแหละอาตามาเป็นเด็กๆนะไปพบคนแก่คนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดจะแกไปกินข้าวอยู่เนั่ยอาตามาเป็นหัวรอดไอข้ข้าวตัวๆใหญ่ยัดเข้าไป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 ไอ้อคำเข้าเดี๋ยวเรียกวมันเต้นไม่ได้หรอมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทนันคำไม่เห็นนะมันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จำเป็นจะต้องเอาคำเข้าใหญ่ยัดเข้าไปมันเต็มมันถึงเชี่ยวได้อือเราก็เกือบจะตายแต่จึงรู้จักคนแก่คนนั้นบ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นเท่านัะปลาอยู่ในน้ํำมัเห็นน้ำที่เส่เด็อนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงถ้าเราเห็นคนแก่อยู่ แต่เราไม่รู้จักคนแก่ถ้าเราแก่แล้วฟันระดูออกบดเดี๋ยวนี้จะรู้ว่าคนแก่นี่มันเป็นสายอย่างนี้ทําไมมันถึงรู้อย่างนี้มันเป็นพยานที่ขี่ภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตน้นพยานข้างนอกด้วยพยานข้างในด้วยอจจตาธรรมะปะหิตาธรรม า, ธ า, ธมาทางภายในด้วยทางภายนอกด้วยที่มันเกิดเป็นมาเราจึงรู้จักฉะนั้นอาตมาจึงเชื่อแน่ว่า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 ให้มึนไปพวกมันไปวัดป่ามตายกูไปเอาเวียมมันไปหมดไม่ถึงกี่เรือนเนี่ยตายได้ธรามาเมียเราไปใช่ไหเจกกรเจกกรเนี่ยเล่านั่ยพระพุทธเจ้าในสัท่านห้ามมันมันเป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราพักกันไปกินใน้มันหมดตายก่อนเล่าไปหมดเดี๋ยวนี้เนี่ย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 เท่านั้นก็จะเข้าถึงสระพุทเข้าถึงพรรมเข้าถึงประสงฆ์เรื่องสินนี่กับมันกันเน่ะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานอานจะมาไปพบคนแก่คนอายุแปดสิบกว่าปีเดินไม่ได้ยอมยอมหยุดไปถอดแผลหรือยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรไม่า ก, ก, กลัวบาปไม่ใช่ไปทอดแหลไม่ได้เดินไม่ได้ นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นน่ะเราจะหยุดกันอย่างงั้นีน่ะนี่หยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าเอออันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยมาจั้งนั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแหเพราะอะไรเพราะอายุแปดสิบกว่าปี 80, ไปไม่ได้มันจะล้มตายก็เลยหยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้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 เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นไปอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงปรกการตรหนักในธรรมะพัะกกาไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆเนะี่ยจะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาุชนทางหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซนะไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่น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 ไม่มีวันจะสร้างคนงามความดีขึ้นไลยเพราะก็ไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอฉันนั้นการฟังธรรมะนั้นนะทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากไม่อะไรไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากนายโยมอันนี้มันผิดเดลระละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราขอประพฤติปฏิบัติมันทีอืมอย่างท่านตรัสรูประปาปัจชะอกรณังกุศลสุภปัสมปธาสักิตะปริโยตพันนัง การไม่กระทำบาปอะไรเลยทางพวงนั่นแ่ะดีเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าอพุทรัศวูปสำปทาทําจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นกุศลเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นหัวใจพระศาสนาซา จ, จิตตะประโยชน์ปนังผล ท, ที่สุดนั่นหัวใจเราก็สบาย กรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทําแล้วภายหลังคิดมาแล้วเดือดร้อนกรรมนั่นไม่ดีกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทําไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกรรมนั้นสบายสะดวกเด็กกรรมนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้เช่นั้นบาปบุญกุลโทษทั้งหลายนั้นให้มองดูจีใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลา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 การพูดธรรมะไปมากๆการพูดธรรมะไปนานๆอืมมันก็ไม่มีอะไรมากมายโคดสักคำหรือสองคำสามคำให้เราเข้าใจเสียจะทำยังไงอันนี้ดีกว่าอืมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแเราก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าใจถ้าหากว่าเรา ไปดูอะไรไปเห็นหนึ่งแตมันรู้ในใจมันลายในใจไปทํามันเป็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทําไม่ได้เนาะจะไปทําอะไรก็ไปไม่ได้จะทําบ้านทําช่องมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราจึงทําเป็นจะทําเรือทําแพมันมีในใจแล้วเราจึงเป็นไม่มีในใจเราทําไม่ได้เราะทุกอย่างจะทําไปต้องมีในใจทุกอย่างจึงทําได้ให้เข้าใจอย่างนี้เด็กว่าดอกเข้าใจในธรรมะผลที่สุดนี้ขอญาติโยมทุกๆคน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 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากอืมฉะนั้นผลตีสุดนี่ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงชัางลกตั้งใจอประพฤติ ด, ดีด้วยกายประพฤติ ด, ดีด้วยวายจาประพฤติ ด, ดีด้วยใจเป็นสุปฏิปนันโนอุชุปฏิปนันโนยายาปฏิปนันโนสามีกิปฏิปนันโนให้เอาคุณสมบัติทั้งสีประการนี้ของสาวก ขององค์สมบิตจพระสมมาสามพุทธเจ้านั้นเอาแนบไปนในจิตของเจ้าของนั้นจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบประคุทธศน า, าขอญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวั น, นสุขภาระตลอดกาลนานเธอ